ตอนที่เธอไม่เงาที่เธอไม่เหงาเธอไม่ไข้จนมา ทุ่มหมดใจจนเหมือนโลกทั้งใบเหลือคน ดูเขามีความสุขดีในขณะที่ผมเกือบ เวลาที่อยากให้เกิดปาฏิหาริย์ให้แต่ความจริงก็คือการจะเป็นคนรักและครองคู่กันที่ตายแล้วผมหวังว่า ผมจะทำใจได้และหลุดพ้น s'ha provocat Thank ลอยในค่ําเวลาลอยไป Ready? Right. Tons siu